พระครูให้สองสา ม, มีภรรยาขึ้นกรรมฐานพร้อมกับในใจและคู่มั่นโดยมีแม่ชีเจียนเป็นผู้กล่าวนำให้คนทั้งสี่กล่าวตามขึ้นกรรมฐานแล้วท่านพระครูก็แนะแนวทางแก่คนทั้งสี่ว่าก่อนที่จะเริ่มต้นปฏิบัติจำเป็นจะต้องรู้ปริยัติสักเล็กน้อยพอเป็นเขานั่นก็คือต้องเข้าใจความหมายของคําว่าจิตอารมณ์และสติเสก่อน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 อารมณ์ในที่นี้จึงแตกต่างจากความหมายที่ใช้กันโดยทั่วไปเพราะหมายถึงอารมณ์หกซึ่งได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงผดทับพะและธรรมรมโยมสองคนพอจะเข้าใจที่อาตมาพูดไหมไม่เข้าใจเท่าแก่เสียงตอบพร้อมกับสายหน้าส่วนคุณกิมง้ะเพียงแต่ยิ้มไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร ปฏิบัติมากๆแล้วก็จะรู้ได้เองท่านให้กำลังใจรู้ว่าผู้มีอายุทั้งสองคนนี้ต้องทำได้และจะก้าวหน้ากว่าคนหนุ่มคนสาวที่นั่งทำตาปริบๆอยู่ต่อหน้าท่านซะอีกเอาละ่ะเมื่อเข้าใจความหมายของจิตและอารมณ์แล้วทีนี้ก็มาทำความเข้าใจกับคำว่าสติสติแปลว่าความลึกรู้ สติทำหน้าที่ผูกจิตไว้กับอารมณ์ในพระสูตรให้ความหมายของสติว่าเป็นเครื่องผูกจิตทำไมจึงต้องผูกจิตไว้ละจ๊ะหลวงนานางสาวจุกถามในจ่อยก็คิดจะถามแบบเดียวกันนี้พอดีคู่มั่นถามขึ้นเสียก่อนการที่ต้องผูกจิตก็เพราะจิตมันไม่อยู่นิ่งมันสั่สายไปหาอารมณ์โน้นอารมณ์นี้อยู่ตลอดเวลา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 เข้าใจครับหลวงนาะเข้าใจแจ่มแจ้วเลยคราวนี้คนเลี้ยงหัวรีบตอบโยมสองคนละ่ะพอจะเข้าใจที่อาตมาพูดบ้างไหมท่านถามบิดามารดาของคุณนายดวงสุดาพอจะเข้าใจคะ่ะคุณกิมเงาะตอบขณะที่เท่าแก่เสงพยักหน้าจากนั้นท่านเจ้าของกุฏิก็ขึ้นไปเขียนหนังสือต่ อ, อยังชั้นบนของกุฏิ แม่ชีเจียนพานางสาวจุกและคุณกินงาะกลับไปฝึกเดินจงกรมที่สำนักชีซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาด้านหลังวัดท่านพระค ร, ร, ะรูเคยเล่าให้แม่ชีฟังว่า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 ส่วนกุฏิที่ท่านอยู่นั้นมีเนื้อที่พอเดินได้เพียงคนเดียวคืนนี้ต้องนอนกันถึงสามคนก็คงจะอึดอัดอยู่สักหน่อยโชคยังดีที่เป็นหน้าหนาวท่านพระครูท่านสั่งให้สมชายนําหมอนและก็ผ้าห่มไปเพิ่มแล้วสาธิตวิธีเดินจงกรมให้เป็นตัวอย่างแล้วพระบวัวเฮียวจึงให้คนทั้งสองลองเดินเท่าแก่เสียงตั้งอกตั้งใจเต็มที่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 นายจอยชักกลัวอีกอย่างก็ชักจะรู้สึกอายคนที่กําลังตั้งหน้าตั้งตาเดินอย่างขมักขม้นเอาละวะไหนไหนก็ไหนๆแล้วลองตั้งใจทําดูสักหน่อยเป็นไรคงไม่ถึงตายหรอกหน้านายจอยให้กําลังใจตัวเองแล้วก็เลยตั้งอกตั้งใจเดินเป็นอย่างดียิ่ง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 ถึงกับท้องแตกตายหรือเปล่าถ้าหากว่าฉันไม่ตอบนะท่านพระครูปเปิดจากกระแนกระแหนพระบูเหียวพระบูเหียวใจชื้นขึ้นมานิดนึงลองท่านตอบอย่างนี้แสดงว่ากําลังอารมณ์ดีพระหนุ่มจึงตอบไปว่าก็ไม่แน่นะครับหลวงพ่อถ้าขืนเก็บไว้นานๆก็นานาอาจจะต้องตายในลักษณะนั้นหลวงพ่อคงไม่อยากเห็นใช่ไหมครับ มันคงอุจจาร์น่าดูเจละผมเองก็ไม่อยากตายตั้งแต่อายุอย่างน้อยอีกอย่างนึงหลวงพ่อก็เป็นคนมีเมตตาการุณาไกลๆก็รู้นึกว่าสงสารลูกนกลูกกาช่วยตอบให้หายสงสัยหน่อยเถอะครับแล้วผมจะไม่ลืมพระคุณหลวงพ่อเลยพระบ b u เหี่ยวร่ายยาวจนท่านพระครูครานที่จะฟังก็ออกปากอนุญาตว่าเอาเธอเอาเธอ ไม่ต้องยกแม่น้ำทั้งห้าถ้ออยากจะให้ตอบเรื่องอะไรก็ถามมาถ้าตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ว่าไงจะถามอะไรก็ถามแม่หลวงพ่อน่าจะรู้ว่าผมจะถามอะไรทุกทีก็เห็นหลวงพ่อรู้ทำไมวันนี้เกิดไม่รู้เซนละ่ะพระบวเหี่ยวไม่วายกระเซาฉันจะรู้ก็ต่อเมื่ออยากรู้ แต่นี่ไม่อยากรู้ก็เลยไม่รู้อย่ามัวพูดมากประเดี๋ยวฉันจะไม่เปิดโอกาสให้ถามเสีหรอกท่านสมผานวัดป่ามะม่วงถือโอกาสเล่นตัวครับครับถามถามคนถามละล่ำละ ล, ะลักด้วยเกรงว่าท่านจะเปลี่ยนใจไม่อนุญาตคือว่าในจอยเขามาเล่าให้ผมฟังเรื่องความประพฤติของพระเขาว่าพระที่วัดแถวบ้านเขาทำตัวไม่เหมาะสม เป็นต้นว่าเสพ จ, จุรายาเมาบ้างเสพเมทุนบ้างบงการฆ่าคนบ้างอย่างนี้ก็ต้องอาบัติปราชิกสินะครับพระแบบนี้มีอยู่จริงเหรอครับหลวงพ่อผมว่าในจอยคงจะไม่พูดปดนะครับยิ่งกว่าที่เธอพูดก็ยังมีเลยโบยเหี่ยวเอ้ยแล้วไม่ต้องอาบัติปราชิกเหรอครับถามซ้ามันจะไปอาบบกอาบัตอะไร ในเมื่อคนพวกนี้ไม่ใช่พระเป็นพวกมารศาสนาพวกที่ทาให้ศาสนาเสื่อมใช่ไหมครับศาสนาเนี่ยไม่เสื่อมหรอกแต่คนเสื่อมจากศาสนาคือคนบางกลุ่มบางพวกเมื่อเห็นพระทําตัวไม่ดีก็เลยไปโทษว่าศาสนาเสื่อมนี่คนด้อยปัญญาจะคิดอย่างนี้เพราะขาดโยนิโสมนสิการขาดอะไรนะครับ พระบวัวเหยวรู้สึกไม่คุ้นหูกับศัพท์ใหม่ที่ท่านพระครูใช้ขาดโยนิโสมนานสิการคือไม่รู้จักคิดไม่มองสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญาเลยทําให้เกิดมิจฉาทิฏฐิโยนิสมนานสิการมีความสําคัญมากเพราะเป็นปัจจัยทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิและเป็นต้นทางของความดีทั้งปวงคนที่มีโยนิโสมนานสิการเขาจะแยกแยะได้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 ก็จะไปฝักใฝ่กับพวกนี้ประชาชนทั้งหลายก็จะเกิดความสับสนทางความคิดไม่รู้แน่ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกเพราะนอกจากจะประพฤติวิปริตผิดวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบรัญญัติไว้แล้วพวกมารศาสนาเหล่านี้ยังพยายามจ้วงจ่าบิดเบือนพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยคนก็พากันเสื่อมจากศาสนานับว่าเป็นเรื่องอันตรายมาก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 ยากที่คนธรรมดาจะรู้จะเข้าใจได้มันเป็นอจินตายอะไรตายนะครับพระบวัวเหียวมีอันต้องงงหนักขึ้นอาจินตายเธอไม่เคยได้ยินห ร, อหรือฉันจำได้ว่าเคยอธิบายให้เธอฟังมาครั้งหนึ่งแล้วเอ๋ก็เป็นคนช่างจำไงลืมเสียได้ละ่ะท่านตำหนิไกลๆครับแต่ก่อนผมช่างจำ แต่เมื่อมาเจออะไรๆที่ทําให้ผมงงอยู่เรื่อยความจํามันก็เลยเสื่อมหลวงพ่อกรุณาขยายความอีกสักครั้งเถอะครับท่านพระครูนิง่งตามองไปที่ตู้พระคัมภีพูดว่าฟังอย่างเดียวมันจํายากต้องให้เห็นด้วยนั่นไงอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยีสบอนั่นไปเปิดดูเสียพระใหม่จึงต้องลุก ขึ้เดินไปที่ตู้พระคัมภีหาอยู่นานกว่าจะได้เล่มที่ต้องการได้คำภีร์แล้วจึงกลับมานั่งที่เดิมอยู่หน้าอะไรครับหลวงพ่อถามเพราะใช้ไม่เป็นหน้าโง่มัง้งท่านพระครูตอบหน้าตาเฉยโทษหลวงพ่อก็ถามดีๆต้องด่ากันด้วยใครว่าดา่าคนดีๆอย่างเธอใครเขาจะดา่า แม้หลวงพ่อเนี่ยเข้าใจใช้ได้ใช้ได้พูดพลางพยักหน้าเงึกเึดเข้าใจอะไรคราวนี้ท่านพระครูเป็นฝ่ายงงบ้างก็เข้าใจตกหัวและลูบหลังนะสิครับมีอย่างที่ไหนดา ว, ว่าผมโง่อยยกยุกก็มาชมว่าผมดีอีกและอย่างนี้ไม่เรียกว่าตกหัวลูบหลังและจะเรียกว่าอะไรโง่แต่ดีกับฉลาดแต่เลวถ้าจะเลือกอย่างไหนละ่ะ เอาดีด้วยฉลาดด้วยครับตอบเสียงหนักแน่นอันนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เงื่อนไขฉันให้เธอเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างว่าไงจะเอาอย่างไหนงั้นเอาโง่แต่ดีก็แล้วกันครับผมไม่อยากฉลาดแล้วตกนรกและหลงพ่อละครับจะเลือกอย่างไหนพระนมเป็นฝ่ายถามบ้างสําหรับฉันไม่ว่าจะเลือกอย่างไหน มันก็เป็นไปไม่ได้ทั้งสองอย่างเพราะฉันอยู่นอกเงื่อนไขที่ว่านี้แปลว่าหลวงพ่อหลุดพ้นแล้วใช่ไหมครับพ้นจากนารกสวรรค์พ้นจากความดีความชั่วพระบัวเหวยงถือโอกาสสรุปไหนเธอจะดูเรื่องอจินไตยไม่ใช่หรือดูที่สารบัญเรื่องอจินติสูตรก่อนว่าอยู่หน้าที่เท่าไรแล้วช่วยอ่านให้ฉันฟังด้วยท่านพระครู พูดตัดบทด้วยไม่ต้องการอวดตรีมนุษยธรรมเพราะการกระทำเช่นนั้นจะต้องอบัตอย่างใดอย่างหนึ่งคือถ้าอวดอุตริมนุษยธรรมที่มีในตนก็จะต้องอบัตปาจิตเตถ้าอวดตรีมนุษยธรร ม, ท, ม, นนร ม, รรมที่ไม่มีในตนก็จะต้องอบัตปราชิกท่านจึงหลีเกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องเช่นนี้ด้วยมันเสียทั้งขึ้นทั้งล่องพระบัวเหี่ยวไม่ต่อล้อต่อเฉียง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 ในกับหนึ่งหนึ่งก็จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติอย่างกับที่เราอยู่นี้ก็เรียกว่าพัทระกับมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติห้าพระองค์พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระองค์ที่สี่ท่านพระครูอธิบายแล้วอีกสี่พระองค์มีพระนามว่าอะไรบ้างครับอันนี้ฉั้นก็ไม่ค่อยแน่ใจคือมันเป็นเรื่องเลวิสัยที่ฉั้นจะรู้ได้แต่เท่าที่ฉันรู้ พระนามของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ในพัทธละกับก็มีพระกะกุสันโธพระโกนาคมพระกัสปะพระสมณโคดมส่วนองค์สุดท้ายคือพระศีอริยะเมตตายที่เรียกว่าพระศีอริยะใช่ไหมครับนั่นแหละในคัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเขาเชื่อ ว, ว่าพระพุทธศาสนาคือศาสนาของพระสมณโคดม นั้นจะมีอายุห้าพันปีต่อจากนั้นก็จะเป็นศาสนาของพระศรีอริยะเมตไตรนี่เราก็ผ่านเข้ามาถึงสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วก็เหลืออีกสองพันสี่ร้อยกว่าปีก็จะสิ้นอายุกล่าวกันว่ายิ่งใกล้จะถึงห้าพันปีคนก็ยิ่งเสื่อมจากศาสนาลงไปเรื่อยๆและพวกมารศาสนาก็จะทวีจำนวนมากขึ้นหลวงพ่อครับ แล้วะยะเวลาหนึ่งกับนานแค่ไหนครับเขาว่าเป็นระยะเวลายาวนานมากท่านอุปมาว่าเปรียบเหมือนภูเขาหินล้วนกว้างยาวสูงด้านละหนึ่งโยดทุกทุกร้อยปีมีคนนำผ้าเนื้อละเอียดอย่างดีมาลูบครั้งหนึ่งจนกว่าภูเขานั้นจะสึกกรอสิ้นไปแต่กับหนึ่งก็ยังยาวนานกว่านั้นอีกช่างยาวนานจนดูเหมือนว่า ไม่มีวันสิ้นสุดเลยนะครับถ้าอย่างนั้นการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ชั่วกับชั่วกันก็น่าเบื่อแย่สิครับนั่นสิฉันถึงได้พยายามที่จะตัดออกจากวัฏสงสารให้ได้ถึงเธอเองก็เหมือนกันวัฏสงสารนี่มันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่และจะไปสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ครับไม่มีใครรู้ว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่และมันก็ไม่มีวัน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 พระลูกวัดล้อเลียนแล้วจึงถามต่อไปว่าพระจ้างฆ่าคนนี่ตกนรกไหมครับแล้วทาไมท่านจึงต้องทำอย่างนั้นเธอวัดตกหรือเปล่าล่ะอย่าลืมพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าเราทากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นก็ท่านไม่ได้ลงมือฆ่าเองก็ไม่น่าจะบาปนี่ครับ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 น่าสลดใจเลือกเกินแล้วรองเจ้าคณะจังหวัดถูกจับหรือเปล่าครับก็เพราะถูกจับนะสิเรื่องทั้งแดงขึ้นมาไม่น่าทำเลยเพราะลาบสัการะเป็นต้นเหตุแท้เป็นพระเป็นเจ้าหลงติดอยู่กับลาบสัการะก็เจ๊งทุกรายคราวนี้ท่านใช้ภาษาจีนแม้หลวงพ่อเก่งจังนะครับพูดได้ตั้งหลายภาษาจีนก็ได้ ปกิจก็ได้พระบูเหี่ยออกปากชมก็อชั้นทำกรรมมาดีท่านพระครูถือโอกาสคุยทับกรรมที่ทำให้เก่งเป็นอย่างไรครับผมอยากเก่งบ้างอยากรู้ก็ไปอ่านจุลก ร, ร ม, มวิพังคสูตรเอาเองที่สุพมานพโตเยบุตรทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าทำไมคนเราถึงเกิดมาไม่เหมือนกัน บางคนโง่บางคนฉลาดบางคนรวยบางคนจนพระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้ละเอียดมากมีโอกาสก็ไปอ่านเสียอยู่ในคำภีพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสีนั่นอ่านแล้วจะได้เลือกทําแต่กรรมดีฉันเองยังเสียดายตอนเด็กๆเกเรชมัดสร้างเวรสร้างกรรมเอาไว้มากนี่ก็ทยอยใช้ไปเรื่อยๆจะพยายามชดใช้เสียให้หมดหมดไปในชาตินี้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 อย่ามาถามเศร้าซีอยู่เลยฉันไม่หลงกลเธอง่ายๆหรอกคนเป็นศิษย์ําหน้าปัญญาเมื่อคนเป็นอาจารย์รู้เท่าทันแต่แล้วก็ถามขึ้นอีกว่าหลวงพ่อครับผมยังสงสัยเรื่องที่หลวงพ่อเล่ามาเรื่องอะไรอีกละ่ะคนถูกถามชักจะ ร, รําคาญก็เรื่องที่รองเจ้าคณะจังหวัดจ้างข้าเจ้าคณะจังหวัดประหวังจะกรองตำแหน่งแทนน่ะครับ ผมว่าไม่น่าจะบาปมากมายอะไรเพราะท่านไม่ได้ลงมือฆ่าเองพระใหม่ไม่วายสงการช่างสงสัยจริงนะเอาละฉันจะอธิบายให้ฟังการฆ่านั้นจะบาปมากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูว่ามันครบองค์ห้าหรือเปล่าถ้าครบก็บาปมากถ้าไม่ครบก็บาปน้อยลดหลั่นกันลงไปองค์ห้านั้นได้แก่สัตว์มีชีวิตหนึ่ง รู้ว่าสัตว์มีชีวิตหนึ่งมีจิตคิดจะฆ่าหนึ่งใช้ความพยายามในการฆ่าหนึ่งตายเพราะความพยายามนั้นหนึ่งฉันจะเล่าเป็นตัวอย่างให้ฟังสักเครื่องแล้วเธอก็วิเคราะห์เอาเองก็แล้วกันว่าครบอ ง, งห้าหรือเปล่าเรื่องนี้เขาเล่าสืบกันมาเขาว่าเป็นเรื่องจริงด้วยและหลวงพ่อว่าหรือเปล่าครับ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 นิมนท่านพระครูจึงเริ่มเล่ากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานแค่ไหนครับผู้ฟังไม่หวายล้อเลียนจะนานแค่ไหนมันก็นานแล้วกันหลวงพ่อนี่ความจำดีจังนะครับเรื่องนานมาแล้วยังอุตส่าห์จำได้คราวนี้ท่านพระครูหมดความอดทนอย่างแท้จริงจึงยื่นคำขาดว่านี่บัวเฮียวถ้าเธอเยียวอีกรับรองว่า ฉันไม่เล่าแน่ครับครับผมไม่ขัดคอแล้วผมบัวเหี้ยวครับไม่ใช่บัวเหี้ยวนิมนต์เล่าเถอะครับท่านพระครูจึงเริ่มต้นใหม่ว่ากาละครั้หนึ่งนานมาแล้วมีหลวงตาองค์หนึ่งอาศัยอยู่ในวัดวัดหนึ่งเช้าตรู่วันหนึ่งท่านก็เห็นเต่าใหญ่ตัวหนึ่งกำลังเดินต้วนเตี่ยมอยู่บนทางที่จะไปฐาน หลวงตากำลังจะไปฐานเพื่อปลดทุกข์ครั้นเห็นเต่าตัวนั้นก็พลันหายเพราะความอยากฉันแกงเต่าก็เลยหันหลังเดินกลับไปที่กุฏิคว้าคมภีใบลานมานั่งเทศทาเสียงอ่อนเสียงหวานว่าเมื่อกี้ข้าไปฐานเห็นเต่าคลานตัวมันออกใหญ่ๆเมื่อกี้ข้าไปฐานเห็นเต่าคลานตัวมันออกใหญ่ๆ เทศซ้ำๆอยู่อย่างนี้เพราะต้องการจะให้ลูกศิษย์ได้ยินข้างฝ่ายลูกศิษย์ก็นึกว่าหลวงตาเทศก็ไม่ได้ใส่ใจหลวงตาโมโหเลยตะโกนดังๆว่าเมื่อกี้ข้าไปฐานเห็นเต่าครานตัวมันออกใหญ่ๆโวยคราวนี้มีโวยติดมาด้วยหลวงตาท่านโว้ยนะไม่ใช่พระครูเจริญโว้ย เดี๋ยวจะมาหาว่าฉันพูดไม่สุภาพท่านพระครูพูดออกตัวไว้ก่อนพระบวยเฮียวเลยถูกโอกาสสนองว่าผมยังไม่ได้ว่าหลวงพ่อสักหน่อยไม่เห็นจะต้องร้อนตัวไปเลยนิมนเล่าต่อเถอะครับกำลังสนุก พ่อหลวงตาโวยลูกศิษย์ก็เลยเข้าใจรู้ว่าอ๋อนี่หลวงตาคงอยากจะฉันแกงเต่าจึงเดินไปทางที่จะไปยังซ่วมพระก็เห็นเต่าตัวเนิงกลานตุ้มเตียมอยู่เลยจับเอามาวิธีแกงเต่าสมัยนั้นจะต้องต้มให้มันตายเสก่อนลูกศิษย์จึงจัดแจงก่อไฟเอาหม้อข้าวใส่น้ํายกขึ้นตั้งไฟพอน้ําเดือดก็จับเต่าใส่ลงไป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 หม้อต้มกลัดเป็นภาชนะรูปทรงกระบอกมีขนาดใหญ่กว่าหม้อข้าวเขาเอาไว้สำหรับย้อมจีวรเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีจีวรขายเหมือนอย่างสมัยนี้คนเล่าอธิบายครับและอย่างไรต่อไปครับลุงตาก็กางคำเพีร์ออกแล้วก็เทศด้วยเสียงอันดังว่าเมื่อกี้ข้าไปฐานเห็นเต่าคลานตัวมันออกใหญ่ๆ หม้อข้าวมันเล็กนักหม้อต้มกรัดกนั่นเป็นไรลูกศิษย์ก็จัดแจงไปหยิบหม้อต้มกรัดกมาเอาน้ําในหม้อข้าวเทใสย่ยกขึ้นตั้งไฟและจับเตาใส่ลงไปในที่สุดหลวงตาก็ได้ฉันแกงเตาสมใจก็เป็นอันจบเรื่องเอาละ่ะทีนี้เธอวิเคราะห์มาสิว่าในองค์ห้าที่กล่าวมาข้างต้นหลวงตา ถูกองค์ไหนบ้างครบอบองห้าเลยครับคราวนี้พระโบเฮียวตอบโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดอา้าวก็ท่านไม่ลงมือเองและจะครบได้ยังไงท่านพระครูลองใจครบสิครับเพราะเต่าเป็นสัตว์มีชีวิตล้วงตาท่านก็รู้ว่ามันมีชีวิตแต่ก็ยังอยากกินมันก็แสดงว่ามีจิตคิดจะฆ่า ใช้ความพยายามในการฆ่าก็ตรงที่เทศว่าหม้อข้าวมันเล็กนักหม้อต้มกรักนั่นเป็นไรแล้วเต่าก็ตายเพราะความพยายามนั้นอย่างนี้ไม่เรียกว่าครบองค์ห้าหรือครับแม้เธอนี่ฉลาดเสจริงๆพ ร, ระโบยเยวหน้าบานเมื่อถูกชมแต่ก็หุบลงทันทีเมื่อท่านพระครูพูดต่ออีกว่าแต่นา น, น, าน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 หน้าเธอดูฉลาดออกท่านพระครูเริ่มรุกแต่พระปูเฮียวอยากจะรู้เรื่องอื่นๆอีกจึงไม่ยอมต่อก่อนด้วยหลวงพ่อครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมสงสัยคือสิกพูดยังไม่ทันจบอาจารย์ก็รีบโบกมือห้ามช้าก่อนช้าก่อนวันนี้เราคุยกันมาพอสมควรแล้วฉันรู้ว่าเธอจะถามเรื่องอะไรเอาไว้วันหลังก็แล้วกันวันนี้หมดเวลา เธอกลับไปปฏิบัติที่กุฏิของเธอได้แล้วตั้ง อ, อกตั้งใจเขา้าจะได้ใช้นี่ให้หมดหมดไปเสียประโยคหลังท่านทิ้งท้ายเอาไว้ให้คนฟังไปคิดเอาเอง ในจอยเขาบอกว่าหลวงพ่อมีกระจกวิเศษเป็นคําถามแรกที่พระโบเฮียวถามท่านพระครูงั้นรึแล้วเขาเล่าอะไรให้เธอฟังอีกละ่ะเขาเล่าว่ากระจกวิเศษสามารถดูเนื้อคู่ได้ที่เขาได้คู่มั่นกับโยมจุกก็เพราะกระจกหลวงพ่อเออเขาว่าอย่างนั้นรึพูดถึงในจ่อยทําให้ฉันนึกได้ว่าเขาจะแต่งงานวันที่เก้าธันวาที่จะถึงนี้ อีกไม่กี่วันแล้วนะสินะเขาที่มนพระวัดเราก้ารูปเลยไม่มีเจริญพระพุทธมนต์เย็นเราเห็นจะต้องออกกันตั้งแต่ตีสี่ฉันจะให้เธอกับมหาบุญไปด้วยคงเต็มรถพอดีท่านนึกขอบใจครูสริปที่ซื้อรถตู้มาถวายครับแต่ผมอยากรู้เรื่องกระจกวิเศษนะครับหลวงพ่อกรุณาเล่าให้ผมฟังได้หรือเปล่า แลวถ้าผมจะขอขอดูเนื้อคู่หลวงพ่อจะขัดข้องไหมครับพูดอย่างเกรงใจเป็นที่สุดโทเอ้ยบัวเหียวรู้สึกว่าเธออยากจะมีคู่เสียจริงนะจำไม่ได้หรือที่ฉันเคยบอกว่าดวงเธอไม่มีเนื้อคู่จำได้ครับนั่นก็แปลว่าเธอไม่เชื่อเชื่อครับแต่ผมอยากจะให้กระจกตรวจสอบอีกที ก็หลวงพ่อบอกผมไว้หลายเดือนแล้วตอนนั้นเนื้อคู่อาจจะยังไม่เกิดตอนนี้คงจะเกิดแล้ว่ันพระครูอยากจะว่าแรงๆแต่เมื่อนึกได้ว่าอีกฝ่ายยังหนุ่มยังแน่นก็ต้องคิดถึงเรื่องอย่างนี้อันเป็นธรรมชาติธรรมดาของคนหนุ่มคิดได้ดังนี้จึงพูดขึ้นว่าเอาละ่ะเมื่อเธออยากรู้ฉันก็จะเล่าให้ฟังและท่านจึงเริ่มต้นเล่า ว, ว่า ฉันได้วิชานี้มาจากหลวงพ่อสุขวัดมะขามเท่าตั้งแต่ฉันบวชใหม่ๆผู้ที่จะเรียนวิชานี้ได้ต้องได้กระสินฉันก็ฝึกอาโปกระสินอยู่หลายเดือนจึงได้ปเรียนกับท่านเป็นวิชาสยศาสตร์กระจกหมอดูนี้ดูแม่นอยู่สองเรื่องคือเรื่องของหายกับดูเนื้อคู่เชื่อไหมถ้าฉันศึกออกไปหากินใต้ต้นมะขามสนามหลวง รับรองว่ารวยไม่รู้เรื่องเพราะคนเขาชอบดูเนื้อคู่กันโดยเฉพาะพวกอาจารย์สาวๆชอบดูนะักและทำไมหลวงพ่อไม่สึกล่ะครับเป็นผมสึกไปตั้งนานแล้วพระโบยเยี่ยวขัดขึ้นก็ถึงว่าสิแต่ทำไมฉันถึงไม่สึกก็ไม่รู้ท่านแกล้งเอออวยรวบรัชตัดใจความก็คือฉันได้วิชาหมอดูมาจากหลวงพ่อสุก ทีนี้พอคนรู้ก็พากันมาให้ดูใหญ่วิธีดูก็คือต้องเศษคาถาก่อนแล้วก็เป่าไปที่กระจกเป็นกระจกแปดเหลี่ยมไม่ใช่กระจกธรรมดาเช่นสมมุติว่าเขาจะมาดูเนื้อคู่พอเศษคาถาลงไปคนที่จะมาเป็นเนื้อคู่ก็จะไปปรากฏที่กระจกทีนี้เวลาจะลบก็ต้องใช้น้ำมนลบจึงจะออก ถ้าไม่ใช้น้ำมนตก็ต้องติดอยู่อย่างนั้นถึงเจ็ดวันจึงจะลบไปเองในจ่อยตอนนั้นก็เป็นเนนอายุเพิ่งจะสิบห้าแต่มารบเร้าให้ดูเนื้อคู่แม้พอภาพนางจุกติดในกระจกโกรธจันสิยกใหญ่หาว่าฉันแกล้งเสร็จแล้วเป็นยังไงหนีพ้นนางจุกเสียที่ไหนท่านนึกภาพนางจุกเด็กขี้มูกมากคนนั้นแล้วก็ยังอดขไม่ได้ เห็นว่าหลวงพ่อต้องเทข้าวทิ้งน้ำเพราะโยมจุกเป็นเหตุจริงหรือเปล่าครับแล้วไม่กลัวผิดวินัยหรือครับกลัวสีททำไมจะไม่กลัวแต่มันคลื่นไส่ก็เลยบอกเมมนจ่อยว่าเราเลี้ยงปลากันเถอะแม้นั่งจุกนะนั่งจุกเล่นเอาฉันเทข้าวทิ้งน้ำทุกวันตอนบวชใหม่ๆฉันก็ไม่ได้เป็นพระดิบพระดีเท่าไรท่านสารภาพาแล้วทาไมเดี๋ยวนี้ถึงดีล่ะครับ คนฟังย้อนถามก็ตั้งแต่ได้เรียนกรรมฐานจากพระในป่าฉันเลยกลับเนื้อกลับตัวได้รู้ดีรู้ชั่วขึ้นมาเองเพราะการปฏิบัตินับว่าเป็นบุญของฉันไม่เช่นนั้นป่านี้อาจจะกลายเป็นมารศาสนาไปแล้วก็ได้ท่านพระครูหัวเราะหืหก่อนที่จะเล่าต่อไปว่าอยู่มาวันหนึ่งสมภารจุนวัดบ้านเหนือก็มาขอให้ดูให้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 แม้ไม่น่ามาโกรธกันเลยท่านพูดยิ้มยิ้มและตอนนี้สมพันธ์จุนยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับยังอยู่เจ็ดสิบกว่าแล้วไม่รู้ยังคิดที่จะมีเนื้อคู่อีกรึเปล่าเหมือนเธอนั่นแหละประโยคหลังท่านก็วกมาหาคนฟังไม่เหมือนหรอกครับผมเพิ่งจะยี่สิบหกยังหนุ่มยังแน่นถ้าหกสิบสองผมคงเลิกคิดแล้วพระบัวเหวี่ ย, ยง และจึงพูดเสียงอ่อยๆว่าหลวงพ่อครับโปรดดูให้ผมสักนิดเถอะครับรับรองว่าผมจะไม่กวนใจหลวงพ่ออีกเลยสายไปซะแล้วโวเฮียวเอ้ยอย่ามาอ่อนบอลสิเฮียถึงฉันจะใจอ่อนก็ดูให้ไม่ได้เพราะฉันเลิกมาหลายปีแล้วทำํำไมเลิกสิล่ะครับมันมีสาเหตุนะสิเอาละจะเล่าให้ฟังบอกตามตรงนะว่าไม่อยากจะเล่าสักเทา่าไหร่ เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นอดีตไปแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเอาเข้ามานินทาถ้ามันทำให้หลวงพ่อไม่สบายใจไม่ต้องเล่าก็ได้ครับพระบัวเหี่วพูดอย่างเกรงใจไม่เป็นไรเธอจะได้หายสงสัยเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือในบุญช่วยเข้ามาขอให้ฉันดูของหายของอะไรเขาหายล่ะครับไม่ใช่ของของเขารอก ของคนขมเรที่มาขออาศัยบ้านเขาอยู่ตอนนั้นขมเรแตกผู้คนก็พากันหนีออกนอกประเทศหอบทองกันมาคนละหลายหลบาทคนที่มาอาศัยในบนช่วยอยู่นั่นเอาทองมาหนักสิบห้าบาทที่นี่อยู่ๆทองเกิดหายไปในบนช่วยก็พามาให้ฉันดูพอฉันเสกคาถาเป่าลงไปที่กระจกแปดเหลี่ยมที่เธอเรียกว่ากระจกวิเศษนั่นนะ่ะ แต่ฉันเรียกว่ากระจกหมอดูผลก็ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมไม่ทราบครับปรากฏว่ารูปนายบุญช่วยไปติดอยู่ที่กระจกฉันก็ยังไม่อยากให้เขาดูบอกว่าโยมบุญช่วยกลับไปเถอะอาตมาไม่ดูให้รอกเดี๋ยวจะผิดใจกันเปล่าเปล่าเขาก็ยืนยันว่าอยากจะดูที่เขาพูดอย่างนี้เพราะไม่เชื่อว่ากระจกจแม่นนคิดว่าจะเหมือนรายของสมพันจุน ที่มาดูเนื้อคู่แล้วไม่มีรูปปรากฏฉันก็ไม่ยอมดูให้ที่แท้ฉันรู้แล้วภาพในบนช่วยก็ยังอยู่ในกระจกเขาก็ไปตามสมพันธ์จุนให้มาช่วยพูดฉันบอกถ้าอยากจะดูก็าตามใจเลยเอากระจกให้ดูเธอเอ้ยเขาโกรธฉันสิใหญ่ไม่โกรธอย่างเดียวกนดาหยับๆยับคลาย บรรพบรุษฉันทั้งข้างพ่อข้างแม่ถูกในบนช่วยขุดขึ้นมาด่าหมดแถมเปลี่ยนหน้าให้ฉันซะอีกเปลี่ยนยังไงครับพระยุนสงสัยก็เปลี่ยนจากหน้าคนมาเป็นอวัยวะเพศนะซิแต่นี่หยาบคายมากท่านยังจำถ้อยคาหยาบคายของฝ่ายนั้นได้และหลวงพ่อโกรธไหมครับโกรธหน้าเขียวหน้าเหลืองชุละ ฉันก็เลยยกมือขึ้นประนมสาบานต่อหน้าสมภารจุนว่านับแต่นี้ต่อไปฉันจะไม่ดูให้ใครอีกและฉันก็เหวี่ยงกระจกหมอดูลงแม่น้ำเจ้าพยาไปทั้งๆ้งที่มีรูปในบนช่วยติดอยู่นี่แหละสาเหตุที่ทำให้ฉันเลิกดูท่านพระครูเล่าเวียงของท่านก็คือคว้างแล้วเดี๋ยวนี้นายบนช่วยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับ ผมอยากจะไปเตะมันสักสองสามา้าปฐานมาด่าครูอาจารย์ผมพระบวยเหียวพูดอย่างโกรธแค้นแทนผู้เป็นอาจารย์อย่าไปสนใจเขาเลยฉันเองก็ไม่ได้ภูพยาบาทขาดพยาเวนอะไรเขามันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมพระบวยเหียวต่อให้ก็จริงๆนี่นาตอนหลังมีคนมาบอกว่าเขาไปติดคุกอยู่หลายปี ด้วยเรื่องนี้เรื่องขโมยของขมิ้นเนี่ยตอนที่หลวงพ่อโกรธหลวงพ่อกําหนดโกรธหนอหรือเปล่าครับไม่ได้กําหนดเพราะตอนนั้นยังกําหนดไม่เป็นยังมาเดวเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อในป่าเลยโกรธใช่ไม่มีดีถ้าเป็นคารวาสอยู่ก็เห็นจะต้องตายกันไปข้างหนึง่งเห็นไหมถ้าเห็นอานิสง์ของการบวชหรื อ, อยังฉัน ถึงได้ไม่ยอมศึกเพราะไม่งั้นคงตกนรกเพราะฆ่าคนตายในบุญช่วยนี่แย่มากนะครับเขาอุตส่าห์หนีร้อนมาพึ่งเย็นไม่น่าจะไปทำกับเขาอย่างนั้นใจดำออาม่หิบ จ, จริงๆอย่าไปว่าเขาเลยเขาก็ชดใช้กรรมที่เขาก่อแล้วกรรมมันให้ผลทันตาเห็นจริงๆแม้ในบุญช่วยนี่สาคัญมาเปลียนหน้าให้ชันได้พูดแล้วก็หัวเราะ เรื่องที่เคยสะเทือนใจในอดีตปัจจุบันกลับกลายเป็นเรื่องหน้าขันใช่มากกว่าจ่างไม่มีอะไรคงที่คงทนไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนให้ยึดให้ถือแม้แต่อย่างเดียว ผมจะไปเรียนวิชากับหลวงพ่อศุขบ้างท่านจะสอนให้ผมไหมครับพระบุญเฮียวถามฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าจะไปถามท่านที่ไหนเพราะท่านเข้าเมนไปสีห้าปีแล้วแม้จะไม่มีเชื้อสายยวนแต่ท่านก็พูดยวนได้แม้เสียดายจริงๆไม่งั้นผมคงได้มีโอกาสศึกไปนั่งใต้ต้นมะขามแน่เลยเรียนจากหลวงพ่อได้ไหมครับ เธอจะเรียนไปทำไมมันไม่มีประโยชน์สักเท่าไรช่วยให้พ้นทุกข์ก็ไม่ได้ฉันตั้งใจแล้วว่าจะไม่สอนให้ใครแต่ถ้าจะเรียนวิชากรรมฐานฉันยินดีสอนให้เพราะเป็นวิชาที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้เชื่อฉันเถอะอย่างวิชาทําเสน่ห์ก็เหมือนกันไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยหลวงพ่อเรียนด้วยเหรอครับเรียนสิฉันเรียนวิชาสายศาสตร์มาหลายวิชา เดี๋ยวนี้ทิ้งหมดแล้วเหลือแต่วิชากรรมฐานวิชาเดียวส่วนศยศาสตร์ทิ้งหมดหลวงพ่อคิดยังไงถึงไปเรียนวิชาทําเสน่ห์ล่ะครับอ้าวก็อยากให้ผู้หญิงเขารักนาซีถามได้แล้วเขารักไหมล่ะครับรักหรือไม่รักก่อนนับเป็นโตไม่ไหวแล้วกันเจ้สาสาวแย่งกันมาส่งเป็นโตวันหนึ่งยี่สิบเท้าได้มั้งจนไม่รู้จักฉันของใคร แล้วเดี๋ยวนี้ทำไมไม่มีสักเท้าล่ะครับกอฉันไม่ยอมสึกสักทีเป็นโตก็เลยค่อยๆหาให้ไปเทละทู้งสองเท้าเพราะคนส่งเข้าไปแต่งงินกับคนอื่นในที่สุดก็ไม่เหลือสักเท้าอย่างที่เธอว่านั่นแหละแม้คนแถวนี้ไม่ไหวคบไม่ได้แล้วท่านก็หัวเราะหึห่ไม่ทราบประคับอะไรยิ่งเล่าคนเล่าก็ยิ่งเนิรสนุกจึงเล่าต่ออีกว่า พวกคนเท่าคนแก่ก็ไม่เบาน้อยวางแผนจะจับชั้นให้เป็นลูกเขยโน่นบ้างฝั่งโน้นท่านก็ชี้ไปบ้านที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําเจ้าพยาวางแผนอย่างไรครับคนถามสนใจก็ทําเป็นนิ ม, มนต์ไปเที่ยวบ้านนะซิจะให้ไปจีบลูกสาวแต่เราหรือก็รู้ทันว่าถ้าไปถูกจับแต่งงานแน่ก็เลยไม่ยอมไป คนพวกนี้เจ้าเล่อย่าบอกใครกว่าฉันจะครองตัวอยู่มาจนอายุห้าสิบนี่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายเชีละไม่งั้นก็ไม่รอดปากเหี่ยวปากกามาได้หรอกและหลวงพ่อคิดจะศึกไหมครับเนี่ยคนเป็นสิทธ์แกล้งถามจะศึกไปทำไมกันเล่าอยู่มาจนป่านนี้แล้วคนตอบตอบจริงจังมันก็ไม่แน่นะครับ หลวงพ่อเพิ่งจะห้าสิบสมภารจุนตั้งหกสิบสองยังคิดจะศึกนั่นมันสมภารจุนแต่สมภารเจเริญใหม่เป็นอย่างนั้นแน่รับรองได้ถ้าจะศึกก็คงศึกซตั้งแต่นมนมแล้วล่ะตอนนมนมเขาว่าหลวงพ่อรูปล่อมากจนต้องกินยาลดความหล่อจริงหรือเปล่าครับในจ่อยเขาเป็นคนบอกผม อ, อ๋อเจ้าจ่อย เขาว่าอย่างนั้นหรือแล้วเธอเชื่อหรือเปล่าล่ะเชื่อหรือเปล่าฮหายังไม่เชื่อเลยทีเดียวผมอยากทราบข้อเท็จจริงจากปากหลวงพ่อครับเธอจะรู้ไปทําไมฉันมองไม่เห็นประโยชน์สักนิดผมอยากศึกนะครับพระหนุ่มสารภาพถ้าอยากศึกไปทําไมนะโบเฮียวถ้าอยากรับรองว่าไม่ได้ศึกงั้นผมไม่อยากศึกก็ได้ พระัวเฮียวหลงกนท่านพระครูจึงสรุปว่าดีดีฉันอนุโมทนาการครองเพศบรรพชิตนั้นประเสริฐที่สุดแล้วเธอจะศึกออกไปสร้างเวรสร้างกรรมทำไมเราโทษหลวงพ่อก็คนที่เขาหล่อน้อยกว่าผมยังศึกนินาพระนมครวนแล้วที่หล่อมากกว่าเธอที่เขาไม่ศึกละ่ะอย่างน้อยก็มีฉันคนนึงละ คนเป็นอาจารย์ย่ลูกศิษย์เรื่องของหลวงพ่อไม่ใช่เรื่องของผมคนเป็นศิษย์พูดงอนๆอนทำไมเธอถึงอยากศึกนักหน้าบัวเฮียวเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของหลวงพ่อเห็นคนเป็นศิษย์งอนอาจารย์จึงพูดเป็นการเป็นงานว่าเชื่อฉันเถอะบัวเฮียวอย่าหาบ่วงมารัดคอเลยชีวิตแต่งงานนั้นมันมีแต่ทุกข์ก็หลวงพ่อไม่เคยแต่งงาน และหลวงพ่อจะรู้ได้ไงว่าทุกคนเป็นสิกย้อนก็เธอไม่ใช่ฉันแล้วเธอจะรู้ได้ยังไงว่าฉันไม่รู้คนเป็นอาจารย์โตกลับผมยอมแพ้ไม่เถียงกับหลวงพ่อแล้วเถียงไปก็ไร้ประโยชน์พระโบยเหยียวยอมแพ้เอาดืด้อมันไม่ใช่เรื่องแพ้เรื่องชนะหรอกนะโบยเหียวเรามาพูดเรื่องจริงกันดีกว่าขอให้เชื่อฉันสักครั้ง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 เพื่อบรรลุความดีสูงสุดอันเป็นจุดหมายที่แท้จริงของชีวิตการที่เธอคิดแต่จะสึกไปแต่งงานก็เพราะอำนาจของกามฉันทนิวรนที่มันครอบงําจิตของเธออยู่กามฉันทนิวรนก็คือความพอใจในกามความอยากในกามคุณห้ามีรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสกามคุณห้าเนี้ยมันเป็นตัวผลักดันจุดรั้งให้เธอ ไปฝักไฟอยู่ในฝ่ายอกุศุลธรรมส่วนเจ้าความลังเลสงสัยต่างๆนั้นเป็นอำนาจของวิจิกิจฉานิวรณ์ยังยังมีอีกที่เธอจะต้องผัดจนยังมีพยาบาทนิวรณ์ถีนมิธานิวรณ์อุทจักกุกุจานิวรณ์อีกสามตัวนี่เธอยังเจอแค่สองตัวเท่านั้นและเธอเอาชนะเจ้าสองตัวนี้ไม่ได้ ก็ไม่ต้องไปพูดถึงอีกสามตัวที่เหลือหลวงพ่อครับทำไมเจ้านิวร์มันถึงได้รบ ก, กวนเฉพาะตอนที่เราปฏิบัติธรรมล่ะครับแล้วเวลาที่เราไม่ปฏิบัติมันพากันไปอยู่เสที่ไหนถามอย่างข้องใจมันก็แนบเนื่องอยู่ในจิตของเรานั่นแหละเมื่อไรที่เรายังไม่ได้ทําความดีมันก็จะนอนสบายเฉยอยู่ต่อเมื่อเราทาความดีนั่นแหละ มันก็จะลุกขึ้นมาอารวาดเพราะฉะนั้นเราจะต้องไล่มันออกไปจากจิตให้หมดสิ้นอย่างที่หลวงพ่อพูดเสมอๆว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดใช่ไหมครับคงงั้นมั้งพระบุวเหียวรู้สึกว่าจิตใจปลอดโปร่งขึ้นหากยังสงสัยอยู่อีกนิดหนึ่งจึงเรียนถามท่านพระครูว่าหลวงพ่อครับแล้วยาลดความหล่อเนี่ยมันมีจริงๆหรือเปล่าครับถ้ามีจริงเธอจะทำไม่ ผมจะได้ขอไปกินบ้างครับพระอุปชาได้ยินดังนั้นจึงพินิจพิจารณาคนเป็นสิทธิ์อย่างละเอียดถี่้วนและก็พูดว่าหน้าตาอย่างนี้ไม่ต้องพึ่งยาลดความหลอ่อไม่ต้องพึ่งโทษหลวงพ่อมาแบบในจ่อยอีกคนนึงแล้วพระบูเหียวโวยวายแล้วจึงชี้แจงอย่างน้อยอกน้อยใจในโชควาสนาว่าผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น คือไหนๆผมก็ไม่มีโอกาสได้แต่งงานเหมือนชาวบ้านเขาก็ทำให้มันสุดเหล่ไปเลยจะได้ปรงได้ว่าเพราะตัวเองขี้เรถึงไม่มีผู้หญิงมาแต่งงานด้วยเจ้ากามฉันทนิวรมันจะได้ล่าทับกลับไปไม่มารบกวนผมอีกไม่ต้องใช้ยาลดความหล่อไปไล่มันให้ยุ่งยากรอกถ้าเธอมีสติรู้เท่าทันมันตลอดเวลา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 ความอึดอัดขัดข้องพลันมาลายหายไปมีความปราบปลืม้มโปรงใจเข้ามาแทนที่